เมตารวมกันสเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป ก็นั่งกันตามปกติน ะ, ะในเช้าวันนี้หลังจากเราทำวัดปลุกจิตปลุกใจให้ตื่นนะเราก็มารับฟังข้อคิดสำหรับการปฏิบัตินะก็ขอให้เราตั้งใจนะฟังในสิ่งที่เป็นสารประโยชน์นะถ้าใครง่วงหลับง่วงนอนก็พยายามปลุกตัวเองให้ตื่น นะลูกเนะื้อลูบตัวก็ได้ยกมือก็ได้นะอย่าไปซึอยู่กับความง่วงนะตั้งใจฟังนะในเชา้าวันนี้ก็จะได้อรรถนานิมนต์พระจันรทร์วัฒนชัยาแสดงธรรมให้กับพวกเราฟังขอนนิมนต์ครับ น้อมน้อมต่อคุณพระตนไตรยัยกรารเพื่อสัตมิทุกท่านจเจริญธรรมมาทีและยากที่ทำทุกท่านก็นั่งสบายสบายเนาะนั่งแล้วก็ทําความรู้สึกตัวไปด้วยเอาความรู้สึกตัวเป็นหลักส่วนการฟังก็เป็นลองนะเราก็มาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เรียกว่าเราก็ตามรู้กายรู้ใจเนาะตามรู้กายรู้ใจ เนีกายเป็นอย่างไรเรารู้ไหมใจเป็นอย่างไรเรารู้ไหมตรงนี้เป็นหลักการสำคัญในการจเจริญสติครับคร้นี้เราจะตามรู้ได้อย่างไรต่เปิดเสียงดังนิดนึงทำไมไม่ก็มีเสียงเราจะตามรู้ได้อย่างไรเนา ะ, นะประการแรกเนี่ยเราต้องคิดว่าเรามาปฏิธรรมทำไมก่อนใช่ไหมมันก็มันจะไม่อยากจะตามรู้เลยใช่ไห ตามรู้ทําไมมันลําบากเนาะสู้ปล่อยกายปล่อยใจปล่อยเขาคิดนูน่นคิดนี่ไม่สบายดีกว่าหรือใช่ไหมคือคนเรามันก็ชอบอย่างนี้อยู่แล้วนะมันไหลตามอารมณ์ต่างๆมันง่ายง่ายกว่าใช่ไหมทำไมเราต้องมาบังคับกายบังคับใจทําไมจะต้องมาตามรู้กายรู้ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันยากใช่ไหมเนี่ย ครันี้ที่เราจะต้องมาทําบันนี้นะก็ここเพราะว่าเราเรามีความทุกข์ใช่ไหมมีความทุกข์กายทุกใจอยู่เนาะอันนี้นเป็นหลักการสําคัญเลยนะแต่ครั้นี้เราเรารู้ไหมว่าเรามีความทุกข์เนี่ยอันนี้มันสําคัญมากใช่ไหมถ้าเราไม่มีไม่รู้วมีความทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปทําไปทําไมใช่ไหมก็ไม่มีความทุกข์อ่ะมันก็ไม่ต้องไปจะทำก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะสําคัญว่าเรารู้ว่าเรามีความทุกข์ไหมนะอันนี้เป็นหลักการสําคัญก่อนใช่ไหม เราเห็นความทุกไหมอย่างที่เราได้สวดมนต์ธรรมชาติไปแล้วใช่ไหมที่บอกว่าชาติปีตุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขาความตายก็เป็นทุกข์โศกปริเทวทุกขโทมนานัสสุปายาสาปีตุกขาความโศความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ นะการที่ประสบกับสิ่งไม่เป็นทิรักก็เป็นทุกข์การพัดผ้ากักจากสิ่งทิรักก็เป็นทุกข์คนะวามปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้ น, น, นก็เป็นทุกข์ว่าโดยยอดประธานขันทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์นั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วนะในการที่เราธรรมชาวนี่แหละอยู่ในธรรมจักเนะาะคราวนี้น่ท่านให้เห็นว่าตรงนี้มีความทุกขนะ์นะ คื อ, อยังน้อยๆเราเกิดมาแล้วเราก็มีทุกขประยำสังขารหล่นหนีไม่พ้นนะคือความแก่ความเจ็บความตายนะเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วต้องประสบสิ่งเหล่านี้แน่นอนอันนี่คือสิ่งเราหนี้ไม่พ้นอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> นอนนกจากเป็นความทุกข์จรใหม่มากมายเนาะนะเราเราก็ต้องกลับมาเห็นความทุกข์ให้ได้นะว่ามีอยู่จริงหรือเปล่ามานะถ้าความทุกข์จะแยกมาได้เป็น2ออย่างคือความทุกข์กายและทุกข์ใจนะความทุกข์กายเนะี่ย อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกก็แล้วว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายนะดังนั้นมีความทุกข์ที่จอหมาอีกมากมายใชนะ่เรานั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะเรารู้สึกปวดเมื่อยนะอันนี้ก็เป็นความทุกขนะ์เนาะหรือบางคนง่วงใช่ง่วงก็เป็นความทุกข์เนาะบางท่านรู้สึกว่าหิวหิวนะก็มีความทุกข์เบื่อก็มีความทุกข์นะเหืออการู้สึกมันอา้อาวก็มีความทุกข์ เนีมันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะเนี่ยเราสังเกตมันได้ไหมใช่ไหมอันนี้ก็ถือเป็นความทุกข์ที่มันจรมานีสังเกตได้ไหมว่ามีความทุกข์อยู่จริงแล้วความทุกข์กายเรียกว่าเราเราแก้ไขดับไม่ได้นะเราแค่บรนเทาทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นเองใช่ไหมเรานั่งเนี่ยหลับเราปวดเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินมานั่งมายืนมานอนเานะต้องเปลี่ยนในบทไปมาเราอ่า เราหิวก็ต้องไปทานอาหารใช่ไหมแต่มันก็ต้องหิวใหม่ใช่ไหมต้องหิวใหม่อยู่แล้วนะมันไม่ไม่ใช่หยิ่มท้องรอนอะไรใช่ไหมเราเบื่อนะเราก็แก้เบื่อแต่ก็กลับมาเบื่อใหม่ใช่ไหมเราง่วงเราไปนอนก็ต้องกลับมานอนใหม่อยู่ดีนะมันเป็นการแก้ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองสรุปว่าความทุกข์ทางกายเราแก้ก็ไม่ได้นะเราแค่บรรเทาทุกข์เท่ า, ททานั้นอีกอย่างหนึ่งคือความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจนี่ยมัน มันเป็นสียงอันตรายนะทําให้คนไปฆ่าตัวตายได้เนี่ยเราจะไม่ค่อยพบคนที่นอนตามใต้สะพาน ล, ลอยหรือคนเก็บขยะพคนนี้ก็ไม่ฆ่าตัวตายกันหรอกแต่คนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยฆ่าตัวตายเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเขาประสบปัญหาต่างๆนะในทางที่เรววาแก้ไม่ได้คือแก้ไม่ได้ในทาง จ, จิตใจนะแต่เศรษฐกษิจเขาดี <c oughs> แต่แก้ไม่ได้ในทาง จ, จิตใจนะ เช่นความรักหรือว่ า, าสิ่งที่มากระทบอรรมณ์ต่างๆแล้วออกจากอารมณ์ไม่ได้นะมันกวนในความคิดทำให้เกิดความวิตกความกังวลต่างๆมากมายแล้วก็ในสุดก็ฆ่าตัวตายนะอันเนียเพรา ะ, ะนั้นการการทุกข์ทางใจมันมันร้ายแรงกว่าใช่แต่ว่าความทุกข์ทางใจเนี่ยสามารถที่จะดับ <c oughs> สามารถทำให้หมดไปได้อย่างเด็ดขาดเนาะ เพระรหันนั้นท่านก็มีแต่ความทุกข์ทางกายเท่านั้นแต่ทางใจในท่านไม่มีความทุกข์แล้วนะเพราะฉะนั้นการที่มาเปิดธรรมหมายความเรามาแก้ทุกข์ทางใจดับทุกข์ทางใจนะซึ่งนี่มีอยู่จริงทุกๆคนนะเราก็เห็นไหมว่าเราก็มีความทุกข์ทางใจอยู่นะความมิตกความกังวลความกลัวความเครียดความเหงาอิจฉาทิษยาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจนะความโกรธความไม่พอใจต่างๆนี่แหละคือความทุกข์ทางใจทั้งนั้นเลย นะแต่ส่วนมากคนเราก็ไม่สนใจนะก็รู้ในสิ่งนี้นะมีความทุกข์จริงแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่กับรมต่างๆได้นะสิ่งวันที่เป็นอันตรายมากเลยนะ ม, นมันนําความทุกข์ให้เราแต่เราเราไม่ค่อยสังเกตมันใช่ไหมเนี่ยครั้นี้ความทุกข์ทางใจเนี่ยสามารถจับได้เด็ดขาดได้เลยนะ ม, นมันเป็นหนทางการพ้นกแท้จริงนะครั้นี้เราก็สงสัยไม่ว่าทำไมพระเจ้าท่านก็มีความดมสมบูรณ์นะอยู่ในพระราชวังสามฤดู มีพระมเหสีที่งดงามมีพระราชรลที่น่ารักนะแล้วก็พระราสมบัติก็กําลังจะมาในไม่กี่วันข้างหน้าแล้วแต่ทําไมพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธนะัตะจึงทรงเสด็จหนีออกมานะมาอยู่กลางดินกินกลางทรายเป็นนักบวชนะแล้วก็เดินถือบิณฑบาตนะไปบิณฑบาตเขาจากอาหารทั่วๆไปไม่ใช่อาหารที่รสเลิศเลยเลยนะมาทรมานตนมากมายเพราะอะไร เพราะว่าพระเจ้าเห็นภัยจริงๆนะไม่ใช่ว่าความทุกข์อย่างที่ว่ามาหรอกแต่เห็นภัยในสังสารวัตรนะสังสารวัตรก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนับพนมนับชาไม่ท้วนนี่แหละพระพุทธองค์ทรงเห็นมาแม้แต่ชาตินี้นะท่านมีความสุขขนาดนี้แต่ท่านก็ไม่พ้นวจากความทุกข์นะท่านก็ไปเวียนว่ายตายเกิดนับพนมนับชาไม่ทั่วนอันนี้แหละคือที่พระเจ้าได้ทรงเห็นในตรงนี้มากกว่าเนาะพระเจ้าเห็นว่าเออเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการไม่เกิดนะเพราะฉนั้นก็ทรงแสวงหาทางพ้นทุกข์ จนเรียกว่าสําเร็จจริงๆนะได้ไดพบอมตะธรรมนะแล้วก็ส่งเห็นว่าทางนี้แหะคือทางคนทุกข์ทิฏฐ์จริงอันนี้จะเห็นว่าจริงๆละทุกข์ทิฏฐ์จริงคืออะไรนะมันไม่ใช่แหวงอย่างทุกข์แต่ในชาตินี้นะแต่ทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหะสังสวัสนี่นับคนุ่ชาติไม่ทั่วอันนี้นจึงน่ากลัวกว่านะเพราะว่ายัางตาบใจที่ใจเลยมีกิเลสนะมันก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งน่สูงสักสามสเมตรนี่แหละก็เกิดจากเมล็ดพันธุ์เล็กนิดเดียว แต่เมื่อมเมล็ดพันธุ์นั้นมีเชื้ออยู่มันตกไปในดินที่ดมสมบูรณ์ก็เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ฉันใดใจของเราที่ยังมีกิเลสอยู่แม้เพ่งเล็กน้อยก็สามารถที่จ ะ, ะกลับไปเวียนว่ายใจเกิดนับพรหมชาติไม่ทวนได้ฉันนั้นเนาะนี่คือเหตุที่พระเจ้าได้ทรงคนพบในตรงนี้แล้วก็พบว่าวิธีการที่จะทําให้ต้นให้มเมล็ดพันธุ์เน่ะนะมันหมดเชื้อได้อย่างไรมันหมดเชื้อแล้วนะมันก็ปลูกไม่ขึ้นแล้วใช่ไมเพราะมันหมดเชื้อแล้วนะ อย่างเราเนี่ยมันก็มีเชื้ออยู่นะครูพิธีได้ทรงชี้ลงไปว่าเออเรามีความโลภความโกรธความหลงอันนี้คือหัวหน้าใหญ่นะของกิเลสในใจเราเนี่ยแล้ประการแรกก็ให้เรารู้ทันอารมณ์เหล่านั้นนะหลังนั้นเมื่อรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นแล้วนะเนี่ยเราก็หาทางที่จะออกจากอรมณต่างเหล่านั้นได้ใช่ไหมอ่าเราก็ออกจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเราก็เห็นอารมณ์เหล่านั้นนะเป็นของอีกอย่างหนึ่งไม่ของเรานะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของมีความทุกข์เป็นอนัตตาเมตตัวเมตตน นี่แหละมันก็ออกจากลมต่างๆเหล่านั้นมาได้นะเราก็หลุดออกมาจากลมเหล่านั้นนะในสุดก็เกิดการเห็นความจริงในการไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนน ะ, ะสิ่งเหล่านี้เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกเนาะ พ, นพระพุทธเจ้าก็เลยสรุปในตอนท้ายว่าว่าย่ออุปท า, านขันธ์ทั้งห้านั่นแหละคือตัวทุกขันธ์ทั้ง5้าคืออะไรขันธ์ทั้งห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายกายขอยงเราเนาะ <c oughs> เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตใจหรือนามนั่นเองนะถ้าเราเห็นว่ามันก็เป็นรูปเป็นนามเท่านั้นเองใช่ไหมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเนี่ยมันเป็นการถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนของเราเมื่อถอดถอนได้เต็มที่แล้วเรากลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงนนี่เป็นการเรียกว่าเราอถอดถอนกิเลสได้อย่างแท้จริงนะ ม, นมันจึงมาจบในตรงนี้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปนะเข้าสู่นิพพานไป นนี่คือหนทางหนทางที่แท้ของชาวพุทธนะมันก็ปฏบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในเช่นนี้ให้ได้ใช่ไหมถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ได้เข้ามาตรงตรงนี้เราจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนะมันมันเป็นหนทางทุกข์ที่มันยาวไกลใช่ไหมไม่ใช่ว่าชาตินี้ชาติเดียวนะแต่มันยาวไกลเป็นนับทม น, นับชาติไม่ทั่วแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ไม่เริ่มที่จะเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนใช่ไหมนะคนเรานะถ้าหากว่า ไม่เริ่มไปบัตรธรรมนะมันก็หลงไปถึงวันยังค่ำใช่มวันวันก็ใช้ชีวิตไปน ะ, ะถ้าคนไม่บัตรธรรมก็ใช้ชีวิตไปนี่แหละแล้วก็มีความสุขความเพลิดเพลินในทางโลกไปเขาก็รู้สึกเขาก็ไม่มีความทุกข์เลยเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องบัตรธรรมก็ได้นะแล้วเขาก็ไม่ต้องมาลูกทันความคิดไม่ต้องรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้เพราะเขาก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นความทุกข์ะไรเนาะอันนี้มันเป็นความหลงไปนะเป็นความหลงที่น่ากลัว ไหลไปในภพชาติต่างๆนะใจก็ไม่ได้กินเลยก็ไม่ไดลดลงไปเลยนะมันก็เป็นเชื้อนําไปเวียนว่ายายเกิดนับพรหมชาติไม่ท้วนเนาะตรงนี้ก็คือเมื่อเรารู้จักความทุกข์นี่แหละนะมันเป็นความจริงใช่ไหมอย่างที่พูดว่ามันเป็นความจริงเท่านั้นเลยนะอย่างที่พูดมาใช่ไหมมันเป็นของจริงเราประสบมาแล้วใช่ไหมถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้ว่านี่แหละเรามาปฏิธรรมทำไมใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเราไม่เข้าใจตนี้เราจะไม่มีกําลังใจในการปฏิธรรมนะอยู่บ้านก็สบายดีแล้วนะมาทําไมใช่ไหม อันนี้คือคําถามใช่ไหมเพราะฉนั้นตรงนี้นั่นแหละก็คือให้เรารู้ว่าเรามีความทุกข์ก่อนนะนะทุกในการเวียนว่ายตายเกิดนี่แนะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครา้ น, นี้เมื่อเรารู้ผลว่าเรามีความทุกข์แล้วเราจะรู้ไม่ว่าหนทาง่งการบัตธรรมเพื่อการพ้นทุกข์นั้นคืออะไรอันนี้พระเจ้าได้ทรงตัดไว้อย่างชัดเจนในสติปัฏฐานสี่นะท่านบอกว่าหนทางที่เป็นหนทางอันเอกหนทางอันเลิศ ผ, ผู้ใดที่บัตดรรมนี้แล้ว ก็สามารถที่จะเข้าสู่ความคุ้นทุกได้ดทุกๆคนนะหนทางนี้ก็ได้แก่มารู้กายรู้ใจของเรานะอ่าก็คือทรงแยกเป็นว่าเออกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนะก็คือการที่เรามาศึกษาเรื่องกายและใจเรานี่แหละมันไม่ได้เป็นศึกษาเรื่องอื่นนะกลับมารู้ในขณะนี้เท่านั้นเองนะกำลังทำได้อยู่นะนะ กายกำลังทำอะไรอยู่ใจกำลังทำอะไรอยู่นี่แหละอันนี้คือการมาศึกษาตรงนี้นะถึงเราจะศึกษาในอย่างอื่นมากมายจั ก, กรวาลทั้งหมดเราก็ไม่พ้นทุกนะแต่กลับมาศึกษากายและใจนี่แหละเพราะว่าความทุกข์ก็อยู่ที่กายและใจเราเท่านั้นเองไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเลยมาเรามาเรียนรู้เขามาศึกษาเขาเนี่ยสำคัญที่สุดใช่ไหมคราวนี้เราจะศึกษาได้อย่างไรนะพระเจ้าก็ได้ทรงตัดไว้ในเรื่องนะกา ย, ยานุปัสสนาติฏฐานบอกว่าอิระบดเอบด บทใหญ่นะในข้อบทใหญ่เดิน <c oughs> เดินก็ให้รู้ว่าเดินนั่งให้รู้ว่านั่งนอนให้รู้ว่านอนยืนให้รู้ว่ายืนเนาะก็กลับมารู้ในบทใหญ่ทั้งสีนี่แหละเนาะเรารู้ไหมในตรงนี้น ะ, ะเรารู้อย่างไรนะเรารู้ในขณะปัจจุบันนั่นเองนะก็เป็นความรู้สึกในขณะนี้เช่นเรานั่งเรารู้ไหมว่าเรานั่งใช่ไหมนะตรงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าใช่ไหมเรารู้ไหมว่าเรานั่งมีความรู้สึกในการนั่งไหม ถ้าเรารู้ว่าเรานั่งนี่คิดว่าเราปฏิบัติธรรมจบแล้วนะมันเป็นสิ่งที่กลับมารู้ในปัจจุบันนี้นั่นเองหรือถ้าในขณะนี้เรากําลังพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายเรารู้ไหมว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าขณะนี้กาลังทำอะไรอยู่นี่ก็ปฏิบัติธรรมจบแล้วเหมือนกันมันเป็นสิ่งรี่เราสามารถกลับมารู้ในขณะนี้กําลังทำอะไรอยู่มันไม่ต้อไปรู้ที่อื่นนะเมื่อคืนเรานอนมาโอ้ไหลชั่วโมงแล้วเราไม่ได้ไปรู้มัน น, นั่นเป็นเรื่องไม่ใช่ปัจจุบันแต่ปัจจุบันนี่กําลังทําอะไรอยูู่ร้ม ใช่ไหมหรือกําลังได้ยินเสียงเนะี่ยรู้ไหมขณะนี้กําลังได้ยินเสียงเนาะตรงเนี้ยกลับมารู้ในขณะนี้เท่านั้นเองน ะ, ะต่อไปเราก็รู้ในบทย่อยต่างๆนะคก็เรียกว่าสัมปชัญญะปัปพ ะ, ะเหลวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยนะทรงจีวรสังคาติดื่มลิ้มกินเคียวอุจจาระปัสวะเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวในขณะนี้กําลังทำอะไรอยู่เนาะ ก็คือกลับมารู้ในส่วนที่ละเอียดต่างๆนั่นเองนะนอกจากยืนเดินนั่งนอนแล้วก็กลับมารู้ในอิบนย่อยต่างๆนะเพรา ะ, ะนั้นตรงนี้นะเราเรากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมบางคนสงสัยยกมือสร้างหวาด่จังหวะนี้ถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนะเนี่ยคู่แขนเหยียดแขนใช่ไหมคู่แขนเหยียดแขนเนี่ยเราก็มีความรู้ตัวในการขึ้นไหวเท่านั้นนะอันนี้นะถูกตามปไตริกเลยไม่ผิดเลยนะ เพราะว่าสิ่งเราเนี่ยเป็นชีพประจําวันของเราแต่ว่าเราจะทําในชีพประจำวันเราเนี่ยมันมันไม่สามารถทําได้เพราะใหม่ๆก็ต้องมาฝึกก่อนนะครูแคะใหญ่ขันก็สิบสี่จังหวะยกมือเนี่ยมาให้ให้จิตให้จิตในเกิดทักษะในการที่จะตามรู้อ่าตามรู้ร่างกายอ่าตามรู้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่เนาะอ่าเพราะว่าจิตเรามันจะไม่ตามรู้ร่างกายเลยนะแม้แต่เราเดินแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเดินมารเดินด้วยความเคยชินด้วยความอัตโนมัติหรือเป็นความชํานาญ ในการเดินแต่ไม่ได้กลับมารู้ว่าการเดินเลยนะเพราะฉะนั้นการเราทําอะไรในจิตจําเราเราจะไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่มันเป็ น, ป น, ค, ค, น, วปนปความเคยชินมากกว่าใช่ไหมเราจะแปรงฟันก็แปรงด้วยความเคยชินใช่ไหมทานข้าวก็ทานด้วยความเคยชินเราไม่เคยกลับมารู้ว่าเราขณะนี้กาลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งทันกลับมารู้มไหมขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นั่นเองเพราะเราเรามาฝึกนะอย่างคู่แขนเหย็ดแขนแล้วก็คู่แขนเหยียดแขนทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหม กวาดบ้านถูบ้านซนะักผ้าก็คือคูแขนเหยียดแขนทั้งหมดแต่ว่าเราก็ไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะเพราะฉะนั้นการเรามาฝึกยกมือสืบเสียงว่าไหมเพรามว่าเราเรากายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้นะกายเคลื่อนไหวใจรับรู้ให้ใจเกิดการรับรู้ในขณะนี้กำลังทําอะไรกําลังทําอะไรนะกําลังยืนเดินนั่งนอนกําลังทําอะไรนู่นนี่ใช่ไหมกลับมารับรู้ฝึกให้ใจกลับมารับรู้บ่อยๆเมื่อใจกลับมารับรู้มีทักษะมากขึ้นมี จิตมันก็อยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นปัจจุบันนี่แหละนะกลับมารับรู้นะเมื่ออะไรที่เกิดขึ้นในตรงนี้เราใจรับรู้นั่นแหละคือปัจจุบันแล้วนะปัจจุบันนี่คือของจริงใช่ไหมออกจากความคิดได้เลยใช่ไหมเรายกมือก็มานั่งคิดว่ามันยกมือยกมือแต่ว่ามันเป็นความรู้ใช่ไหมความรู้หรือเรานั่งก็ไม่ได้คิดเรานั่งแต่เป็นความรู้ใช่ไหมหรือได้ยินก็ไม่ได้คิดว่าได้ยินแต่เป็นความรู้ใช่ไหม มันเป็นความรู้เพราะมันเป็นของจริงนะเราก็อยู่กับของจริงเนี่ยรับรู้ในของจริงนี่ไปเมื่อรับรู้ในของจริงนี่ไปมันจึงตัดตัดอะไรตัดอดีตอนาคตตัดอดีตอนาคตกลับมาอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมอดีตอนาคตคืออะไรอดีตอนาคตก็คือความคิดนั่นเองใช่ไหมเรานั่งอยู่เนี่ยคิดไปละเ อ, อมื่อวานนี่เป็นยังไงพรุ่งนี้เป็นไงใช่ไหมมันมันดิ้นตลอดเวลานะดิ้นกัในอดีตอนาคตแต่มันไม่เคยกลับมาอยู่ในปัจจุบันเลยใช่ไหมทั้าทุกคนเลยนะมันไม่กลับมาอยู่ในปัจจุบันแต่มันดิ้นไับในอดีตอนาคตทั้งนั้น เพราะวัเพราใจม like ันชอบความเพลิดเพลินมันไม่ชอบกลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะความปัจจุบันนี่แหละใจมันไม่ไม่ชอบหรอกใช่ไหมมันไม่อยากกลับมาุนอยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมใจเนี่ยมันมันดิ้นหลนนะมันดิ้นหลนของมันเองอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ไม่มาฝึกนีมันจะดิ้นหล่นอย่างตลอดเวลาอยู่ในอดีตอนาคตตลอดเวลาเลยนะเพราะมันเป็นความเพลิดเพลินเพลิดเพลินอะไรเพลิดเพลินในความคิดใช่ไหมเราจะเพลิดเพลินในความคิดนะใช่ไหมนี่แหละแต่มันไม่ยอมกลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะเราต้องฝึกมันกลับมาอยู่ปัจจุบันให้ได้ก่อนนะ แต่เราก็ไม่บังคับเขานะแต่เราก็ฝึกเขากลับมากลับมาเนี่นแหล ะ, ะเมื่อเขาสามารถที่จะอยู่กับกายในปัจจุบัได้แล้วจิตก็จะมีกำลังนะคือจิตจากการที่เขาหยาบหยาบได้ไหยาบหยาบก็คือเขาไม่รู้อะไรเลยเขามีแต่ความคิดไหลไปในอดีตอนาคตเมื่ออยู่กับกายแล้วจิตก็เลยมีเครื่องอยู่นะมั้ยเครื่องอยู่ก็ไม่ก็เป็นเกาะสักแห่งหนึ่งให้ผู้อาศัยอยู่ใช่ไหมมือก็หลักให้คนมีที่อยู่นะหรือเมือกับบ้านให้เด็กมีที่อยู่ใช่ไหม เมื there there ่อเรามีเครื่องอยู่ปั๊บเนี่ยมีเครื่องอยู่ปั๊บจิตก็มีกําลังมากขึ้นใช่ไหมมีเครื่องอยู่กับกายแทนนี่เขาไม่มีกําลังเขาไหลไปในน่ะดิน่คุอันนี้จิตไม่มีกําลังนะแต่เมื่ออยู่กับกายจะมีมีกำลังมากขึ้นใช่ไหมมีกําลังอะไรมีกําลังในการรู้ทันขณะนี้กําลังเกิดอะไรขึ้นกับกายนี่แหละคือกําลังของของจิตนะเมื่อมีกําลังปุ๊บเนี่ยกำลังอยู่กายนะจากการที่มีกําลังตรงนั้นน่ะจิตก็จะมีกําลังในการรู้สิ่งที่ละเอียด ขึ้นมานะเช่นความคิดบอกว่เราจะคิดไปเรื่อยๆนะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะนะมันอนาจไม่มีกําลังนะแต่เมื่อเรารู้ทันปุ๊บจิตกลับมาปุ๊บมีกําลังขึ้นมาแล้วนะกําลังคืออะไรคือมันจะตื่นรู้ขึ้นมานะอ่าตื่นรู้ขึ้นมาครั้งหนึ่งเออคิดไปไม่เป็นไรกลับมาปุ๊บตื่นรู้นะหลงมงพ่อเทพบ่าว่ายิ่งคิดยิ่งรู้นะนะเมื่อก่อนมันไหลเขาไม่ไดดีดอนาคตเมื่อตื่นรู้ครั้งหนึ่งไปไงกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบัน นะหรือมันโกรธก็ไม่เป็นไรนะมันโกรธไลๆเข้าไปในความโกรธเรารู้ขนาดนี้กำลังโกรธปุ๊บมันตื่นรู้ก็มาครั้งหนึ่งนี่แหละคือปัจจุบันแล้วแม้แต่โกรธนะแต่เราสื่อรู้ก็เป็นปัจจุบันเพราะฉนั้นกําลังก็อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะกำลังเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนั่นเองไม่ได้อยู่ในดินอนาคตเพราะดอนาคตคือความคิดทั้งหมดเลยแต่กําลังก็คือความรู้นั่นเองนะความรู้นี่แหละมันจะอยู่ปัจจุบันนะตรงนี้เราก็มารู้นะพูดง่ายก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองก็อยู่กับปั ครนะันนี้เราก็จะสังเกตได้ทุกอย่างน ะ, ะมีความคิดบ้างมีความหลงบ้างมีความโกรธบ้างมีความรักบ้างอันนี้คือความจริงใช่ไหมเราไม่จดไปห้ามว่าต้องไม่คิดนะต้องไม่โกรธมะต้องไม่รักต้องไม่ชังอันนั้นไม่ถูกต้องใช่ไหแต่เราก็รู้ไปตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆนะสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเห็นความจริงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้ว่าโอ้เาใจมันทางาน เ, เก่งจังเลยนะ เดี๋ยวคิดนู่น <c oughs> เดี๋ยวคิดนี่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นลงลงเมื่อก่อนเราไม่เห็นนะมันคิดเก่งแล้วไม่เห็นแต่เราเข้าไปในความคิดเลยแต่เมื่อเรามีกําลังแล้วเราก็เห็นความคิดได้คิดแป๊บแลาก็รู้ทันคิดแป๊บรู้ทันนี่แหละมันกําลังเราเห็นว่าโอ้มันคิดเก่งอย่างเลยนะเพบางคนบอกว่าโอ้ทาไมไปฏบัติธรแล้วมันคิดมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะเราเริ่มเห็นความคิดแล้วใช่ไหมอ่าหรือว่ามันเดี๋ยวก็ มันก็เราก็เห็นอารมณ์นะเด็กก็พอใจเด็วก็ไม่พอใจเราก็รู้ทันโอ้เนี่ยมันพอใจไม่พอใจนะเริ่มรู้ทันมันนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปแต่ที่ตามที่เราต้องการใช่ไหมมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันจะหมดอารมณ์ไปหรือหมดความคิดไปแต่มันก็ยังคิดอยู่เรื่อยๆมันก็มีอารมณ์อยูอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะมันจะเห็นว่าเนี่แหละตรงเนี้ยเราบังคับเขาไม่ได้ใช่ไหมบังคับบัญชาเขาไม่ได้เลยนะมันจึงมีความคิดมีอารมณ์ต่างๆนะ เราก็เห็นอย่างนะอมันมาแล้วก็ไปมันเกิดแล้วก็ดับมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของชั่วคราวตรงเนี้ยเมื่อเห็นตรงนี้บ่อยๆแล้วจิตก็จะเริ่มเข้าใจโอ้นี่นี่นี่คือความจริงเห็นความจริงไหมนะอเราบังคับเขาไม่ได้ก็จึงไม่เที่ยงนะอก็จึงไม่เที่ยงเราก็เห็นนะเป็นของชั่วคราวจริงๆนะตหลังนั้นเราเห็นว่าเออมันมันนอกจากมันไม่เที่ยงแล้วมันทํางานเองอีกใช่ไหม ไอ้ความคิดเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะเดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็คิดนี่เรายังไม่รู้เลยนาทีข้างหน้ามันจะคิดอะไรนะมันจะเห็นใจมันทํางานเองนะไม่ใช่เราแล้วนะไม่ใช่เราทำตอนไหนก่อนเออเป็นเราคิดนะแต่ตอนหลังยังสังเกตได้เออมันคิดมันมันคิดมันเองนะไม่ใช่เรามันเลยแยกมาดูนะโอ้ความคิดเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเรารู้นะมันทํางานเองนะแท้เลยนะเพราะนั้นเมื่อมันทํางานเองมันจึงไม่ใช่เราคิดนะมันเริ่มมีปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นไหมเริ่มมีปัญญาแล้วเห็นว่าเออ เมื่อมันคิดเองมันจึงไม่ใช่เรานะมันแยกมาแล้วมันก็เป็นเราคิดใช่ไหมเห็นเออมันคิดเองไม่ใช่เรานะมันเราแยกเป็นผู้ดูมันได้แล้วใช่ไหมมันก็เป็นผู้ดูไปเลยใช่ไหมผู้ดูไปหลังนั้นเราก็เห็นเออเมื่อมันคิดเองมันจึงไม่ไม่ใช่เราจึงไม่ตัวไม่ตนของเรานี่มันแยกมาแล้วนะไม่ตัวไม่ตนของเราแล้วนะความโกรธเหมือนกันนะเมื่อตอนหลังถ้ามีกําลังจิตเราเห็นโอ้ความโกรธขึ้นแล้วนะเราไม่เห็นจะอยากโกรธเลยแต่มันโกรธมันเองนะมันโกรธมันเองแท้ๆเลย มันขัดเครื <hazard S 2> mm ่องมันเองนะท้เลยนะเนี่ยมีกําลังเห็นมันแล้วนะเมื่อก่อนเป็นเราโกรธเราโกรธตอนหลังเราเห็นโอ้มันโกรธนะมันโกรธมันเองไม่ใช่เราเนี่ยจิตมันโกรธเองไม่ใช่เราเราแค่เป็นผู้ดูมันเท่านั้นเองนะเห็นมันโกรธไม่ใช่เราโกรธเนี่ยตรงนี้มันมีกําลังในการเห็นแล้วนะแต่เมื่อก่อนเป็นเรานะเราโกรธกูโกรธนะกูโกรธนะเดี๋ยวนี้เห็นเห็นมึงโกรธไม่ให้กูโกรธนะเรื่องของมึงไม่เรื่องของกูสมัยก่อนเรื่องกูนะสมัยนี้เป็นเรื่องของมึงไม่เรื่องกูนะ มันเห็นนะเออใจมันทำงานเองมันโกรธมันรักอะไรเองหมดเลยนะมันอีกหน่อยเราเห็นนะเมื่อก่อนเป็นเรารักเราอิจฉาเราหึงหวงเราน้อยใจเราเสียใจก็เห็นอารมณ์นะเห็นมันมันเองใจมันไปโกรธไปรักไปอิจฉาไปหึงหวงไม่ใช่เราแล้วนะมันอยากเป็นผู้ดูเลยนะเนี่ยตรงนี้เราก็เริ่มเริ่มที่จะเดินปัญญาใช่มเห็นโอ้เมื่อมันทำงานเองมันก็จึงไม่ใช่เรามันมันอยากเป็นผู้ดูเลยนะเนี่ย ต่อไปเมื่อเราเห็นบ่อยๆนะ่เราไปว่าทําตรงรับปฏิบัติมาหลายๆวันแล้วนะเราเห็นแล้วเ อ, อมื่อวานเราดีวันนี้เราก็ไม่ดีนะเมื่อเช้าดีตอนบ่ายก็ไม่ดีนะอะมันก็เห็นตรงนี้นะทํำไมเป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนเราก็มีความทุกข์ใช่เออปฏิบัติมาต้องหลายวันมันไมด้ดีทุกๆวันนะหรือต้องดีตลอดกาลดีตลอดไปมันทํำไมเป็นแบบนี้นะอะแสดงว่ามันไม่เที่ยงแล้วนะมันไม่เที่ยงนะ อ่าก็เกิดปัญญามันเราไม่มีความทุกข์กับมันแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเรามีความทุกข์ทำไมไม่ไม่ดีตลอดเวลานะนั่นแหละมันมีตัวเราอยู่ใช่ไหมแต่ตอนหลังเราเห็นวะมันดีไม่ดีนะเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงต่างหากเนี่ยมันมันสามารถเข้าใจตรงนี้ได้ใช่ไหมอ่เราเห็นว่าเราบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยนะอะถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นของเราก็บังคับได้ใช่ไมให้มันดีทุกวันใช่ไหมหรือว่าให้มันคิดในทางดีๆทุกวันนะหรือให้มันไม่โกรธนะอ่า หรือว่าเมื่อมีความดีใจก็ให้ดีใจอยู่เราตลอดการนะมันทําไม่ได้มันเห็นตรงนี้มันจะเห็นเข้าใจความจริงมันทำอะไรไม่ได้เลยขั้นการปฏิธรรมนี่จริงๆแล้วไม่ได้เพื่ออะไรเลยนะเพื่อเห็นว่าเราทําอะไรก็ไม่ได้เลยนะถ้าเราทําอะไรก็ยังได้ก็แสดงแสดงว่าเราบังคับเขาได้ใช่ไหมแต่เราเห็นเราทําอะไรเขาไม่ได้เลยนี่แหละแสดงว่าเราบังคับเขาไม่ได้แล้วเพราะเราเลยกลายเป็นผู้ดูอย่างเดียวนะดูกายดูใจก็ทํางานไปจากการที่เราเป็นผู้ดูเนี่ยแหละมันออกออกมาได้นะออกมาได้ เพราะแต่ความทุกข์ก็มีอยู่นะไม่ใช่ ม, มีแต่เราก็ดูความทุกข์ดูความทุกข์นะครูบาอาจารย์ท่านป่วยขนาดหนักนะท่านบอกว่ากายมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ท่านออกมาบอกว่าโอ้ท่านสนุกมากเลยในการดูการป่วยแต่คนเรานะบางทีปวดหัวตัวร้อนโอ้เราปวดหัวเราตัวร้อนเรามีความทุกข์จังเลยแต่ครูบาอาจารย์บางทีท่านไปมะเร็งท่านเห็นโอ้มะเร็งมันกายมันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์ท่านออกมาเลยนะเนี่ยเห็นไหม มันต่างกันใช่ไหมนี่เราเกิดจากการปฏิบัติธรรมในแท้จริงใช่ไหมเพราะฉนั้นอย่าว่าถึงอะไรมาแรงขนาดนันเลยขนาดท่าตายท่งไม่กลัวเลยนะนะแต่เราเจ็บนิดหน่อยเราก็กลัวตายแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมะใช่ไหมคนเรานะมันสามารถพ้นทุกข์ได้ทุกคนอยู่ที่ว่าเราเข้าใจไหมเราเห็นความจริงไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความจริงเราจะออกจากความทุกข์ได้ตั้งแตการที่เราเห็นในตรงนี้นะอันที่จริงทางตาบ่อยๆนี่เขเรียกว่าเราเดินปัญญาแล้วนะหนทางนี่แหละมันจะเป็นการถอดถอนความเข้าใจผิด ในความเป็นตัวเป็นตนเมื่อมันถอดถอนได้แล้วก็จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายออกไปจากใจเรานี่คือการถอดถอนการทําให้เมล็ดพันธุ์ไม่มีเชื้อแล้วนะเมื่อไม่มีเชื้อไม่ไปปลูกมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมมันหมดเชื้อแล้วนี่เชื้อคืออะไรเชื้อคือเชื้อคือตัวกูของกูนั่นเองนะเมื่อมันหมดตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีสิ่งต่างของเราไม่มีอะไรทั้งหมดของเราแล้วนะมันก็จบในตรงนั้นนะนี่แหละเราเราเริ่มตรงนี้นะในสูตรมันก็จะจบในตรงนั้น มันก็หมดจากความทุกข์นะตรงนี้ก็ขอทุกท่านตั้งใจบัตธรรมกันนะเอาละในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระไตรน้อมนำทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทินอฮังสัมมาสัมพุโทโธพระควว พุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระกวตาธมโมธรร ม, มานามซามิสุปาติปันโนพระกวโตซ า, าวกะสังคโคสังขังนามามิ